ง่ายๆคุยกันถามต่อเลยอถามสมัชนานารหลวงตาค่ะคราวที่เราที่หนูมาแล้วที่มีป่องดาวมีตัวตนแล้วหลวงตาให้ยึดพระพุทธเจ้าในการที่เป็นหลักใจว่าวันนั้นกลับไปที่บ้านก็ปรากฏว่านั่งนิ่งๆมันก็ผุดขึ้นมาว่าเราไปคิดแต่ตองค้นหาเหตุผลเราก็ไปเห็นว่าตัวเองหมกมุ่นค้นหาธรรมไป เพิ่มเติมทุกอย่างในกริยาอาการทางใจหลังจากนั้นก็เลยหยุดแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ําหาเหตุผลในการวางวางก็คือวางเลยค่ะสงตาตอนนี้ก็อยู่จูงแค่เนี้ยที่ทำมาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะของหนิงเนี่ยมันยังไปยุ่งกับเบตาเวลามีเบตาทางกายอะ มีเวทนาทางกายเวทนาทางใจที่เป็นทุกขเวทนาหรือมีอาการที่ไม่ถูกใจเนี<ะ>่ยเรายังไปดิ้นรนฝักสมันอยู่เวลานั่งสมาธิหรือเวลางมหรือเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะอึดอัดอึดอัดหรือมีอาการที่ไม่สบายกายไม่สบายตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายอึดอัดไปหัวใจเราก็จะงุดนงดลำคาญเราก็ดิดน้นรนไม่พอใจมัน เราไม่ได้ปล่อยวางเป็นยังไงก็ปล่อยวางมันไปมันจะเป็นย mmm. ังไงก็ปล in ่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปเข้าหาผู้รู้กอหนิงลืมก็หาผู้รู้ไปยุ่งกับเวทนาเวลาพอมีเวทนาเกิดขึ้นทางกายเวทนาทางใจลืมเข้าหาผู้รู้คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นเวทนาขันอาการเป็นอาการที่ถูกลื้เป็นธรรมอารม เราอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจดับอาการเหล่านั้นอจะไปสนใจไปไปตามมันคึ้มก้าคึ้มก้าไปตามมันให้เข้าหาผู้รู้เสมอให้เขาหาผู้รู้ผู้รู้อาการเหล่านั้นนี่ก็คือตัวเรานี่นี่ยมันบ่นคือจิตวิญญาณขนันซึ่งมันมีความรู้สึ ก, กว่าตัวเราเ น, นี่ยเป็นผู้รู้หรือถามว่าอาการที่โมโหเนี่ยอาการที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยใครเป็นคนรู้ เวลาเกิดอารมณ์อย่างเนี้ใครเป็นคนรู้ใจมันก็จะตอบว่าเราเนี่ยเป็นคนรู้รู้มันตรงเราเนี่ยไอ้ตัวเราที่เป็นคนรู้เนี่ยนั่นคือจิตหรือวิญญาณนาขันไอ้ตัวเราผู้รู้มันจะบ่นมันจะพูดมันจะวิปลาสวิจารเหมือนคนบ้าอยู่ในใจนั่นแหละมันจะบ่นเหมือนบ่นอาการเวทนาบ่นคนนู้นเห็นคนนู้นเห็นคนนี้มันก็จะพูดอยู่นั่นแหละไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยไปรู้คนมันก็พูดรู้เสียงก็พูดรู้กินก็พูดพูด รู้รถมันก็พูดรู้สิ่ ง, ท, ง excuses, applause, ที่สัมผัสทางกายมันก็พูดรู้เวทนาที่ไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็พูดที่สบายกายสบายใจมันก็พูดมันก็บ่นมันก็พูดมันก็บ่นอยู่นั่นเน่ตลอดเวลาเลยอย่าไปรู้ที่อาการที่ถูกรู้อย่าไปรู้แต่คนที่ถูกรู้เสียงที่ถูกรู้กิ่นที่ถูกรู้รสที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้ให้รู้แต่ตัวผู้รู้ไอ้ตัวผู้รู้หรือจิตจิตหรือวิญญาณขันเนี่ย ก็คือใครลราเป็นผู้รู้ก็เราไอเป็นผู้รู้ก็รู้ตรงไอ้ตัวเราขี้บนนี่เนี่ยรู้อะไรมันพูดมันบ่นมันพากันพูดมันบ่นมันพากดีก็ภากไม่ดีก็ภากจิตโป่งโรคเบาสบายมันก็พูดไม่โป่งโลคเบาสบายมันก็พูดจิตมันว่างมันก็พูดโอ้โหแต่มันว่างแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันว่างแบบเนี้ยถ้าว่างนี้ตลอดไปก็ดีมากเลยว่างมันยังพูดเลยคอย่าไปสนใจตรงว่างสนใจไอ้ตัวพูด อย่าไปตรงสนใจอารมณ์ที no wore, ่ดีที่เบาสบายสนใจตรงไอ้ตัวพูดพอมีอารมณ์ดีสบายๆไอ้ตัวพูดมันพูดไปยังไงไอ้ตัวเราเนี่ยมันพูดวไปยังไงพอเราเห็นไอ้ตัวเราเนี่ยที่บ่นเนี่ยมันเท่ากับเห็นขันห้าเลยขันห้าทั้งกระบวนการแล้วถ้าเราปล่อยวางไอ้ตัวเราที่พูดที่บ่นขี้หงุดหงิดขี้ลาคาญได้เนี่ยเราปล่อยวางไอ้ตัวนี้ไปได้เนี่ยมันก็เท่ากับปล่อยวางขันห้าทั้งขันเลยเนี่ยเราไม่พลาดอ่ะเป็นเร มีอาการไม่สบายใจมหูเรลยพยายามไล่ดับมีความคิดขึ้นมาไล่ดับความคิดมีอารมณ์ไล่ดับอารมณ์จะไปเอาอารมณ์ที่ดีไปเอาจิตที่ดีแต่เวลาจิตดีแล้วมันไม่เห็นตัวเรามันพาคมันพูดยังไงเวลาจิตดีเวลาพอมีอารมณ์เบาสบายมันไปสนใจแต่อารมณ์เบาสบายแล้วมันไม่เห็นตัวเราที่พากที่พูดยังไงเวลามันมันเป็นลุกสึกถึงอารมณ์เบาสบายพอมันพอตอนนี้พมันไม่สบายตอนนี้ก็งุดกินอย่างเดียวจะไปนิดรนผักสายแต่อารมณ์ที่ไม่สบาย เวทนาที่ไม่สบายจิตที่ไม่ดีมันจะไปดับแต่จิตที่ไม่ดีดับที่อารมณ์นี้ไม่ดีมันไม่เข้าหาผู้รู้ไม่เข้าหาผู้รู้ไม่รู้ตรงผู้รู้ไว้ตรงจิตวิญญาณขันนี้มันไม่ยืนพื้นตรงนี้ไว้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจรู้อยู่ตรงที่ใจเนี่ยรู้ในใจมันพูดว่าอะไรมันบ่นว่าอะไรในใจเนี่ยมันพูดว่าอะไรบ่นว่าอะไรตลอดเวลาอย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ไปรู้อะไรให้มันสติตั้งที่ใจตั้งที่ใจเนี่ย สิ่งที่ถูกร ok, like er ah ู้เป็นอายตนะภายนอกรูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงเป็นอายตนะภายนอกกินเป็นอายตนะภายนอกรสที่กินเนี่ยรสชาติต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยที่มาสัมผัสลิ้นเป็นอายตนะภายนอกสิ่งที่มาสัมผัสกายเป็นอายตนะภายนอกอาการทางกายเนี่ยเวทนาทางกายเวทนาทางใจอาการทางกายอาการทางใจความรู้สึกื่อคิดอารมณ์ทั้งหมดมันเป็นอายตนะภายนอก อย่าเอาใจเราเนี่ยไปอยู่กับอายตนะภายนอกอย่าส่งจิตออกไปหาอายตนะภายนอกมันจะส่งจิตออกนอกดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้อะไรทั้งวันเนี่ยแต่เราไปรู้สิ <mitad> ่งที่ถูกรู้ทั้งวันมันมันไปส่งจิตออกนอกทั้งวันมันต้องรู้ตรงผู้รู้นี่ผู้รู้นี่คือตัวเราผู้รู้เนี่ยมันมันรู้ทางตามันก็ผู้รู้ทางหูก็ผู้รู้ทางจมูกมันก็ผู้รู้ทางลิ้มก็ผู้รู้ทางกายสัมผัสมันก็ผู้รู้ทางใจมันก็พูดมันไม่มีหรอกที่ ก็จะไม่พูดอะขนาดหลับมันยังฝันเลยมันเอายังเอาไปฝันไปพูดไปภาคต่อเลยเอ้ยมันไม่เคยหยุดเลยตัวเนี้ยเพราะมันเป็นวิญญาณอาขันดับมันไม่ได้ไะต้องตายซะก่อนมันถึงจะดับเวลาวิญญาณอาขันเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันก็ทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวต่อไปมันเลยเอามารวมกันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งภาคทั้งติดตองอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยไอ้ตัวผู้รู้เนี่ย ที่มันต้งรู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งภาคทั้งติดตองอยู่ภายในใจเนี่ยเราปล่อยมันทั้งยวงเนี่ยเท่ากับปล่อยขันห้าทั้งหมดเลยปล่อยวางขันห้าทั้งหมดเลยพอปล่อยวางขันห้าหมดมันก็พบใจที่วางเปล่าไอขันห้าเนี่ยทั้งหมดนี่แน่รวมทั้งไอผู้รู้ตัวเราผู้รู้ที่พูดที่พูดที่พูดที่พูดที่ภาคที่บนที่คิดที่ติดตองได้เนี่ยมันเป็นตัวสมมุติคือมันเป็นตัวปรุงแต่ง มันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมีแล้วก็ต้องหายไปมันจึงเรียกว่าเป็นตัวสมมุติพอวางสมมุติทั้งหมดเนี่ยมันก็ถึงใจซึ่งเป็นวิมุติคือวิมุติแปลว่าไม่ปมรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งมันก็เลยเป็นใจว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่ปรุงแต่งมันก็เลยเป็นใจที่ว่างเปล่าไอ้ใจว่างเปล่าเนี่ยเขาเรียกวิมุติสิ่งปรุงแต่งเรียกว่าสมมุติเมื่อวางสมมุติหมดมันก็เลยเป็นวิมุติโดยอัตโนมัต มันไม่ต้องาปล่อยวางแล้วไปหาวิมุตต์อีกทีหนึ่งเพียงปล่อยวางสมมติมันก็เป็นวิมุตต์เป็นใจที่ว่างเปล่าโดยอัตโนมัติถ้าเรายังเป็นผู้ดิ้นรนยังค้นหายังพยายามมันก็เป็นสมมติเรื่อยไปเพราะว่าวิมุตต์เนี่ยมันแสดงกับอาการไม่ได้มันเป็นความว่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันแสดงอกยาการใดๆไม่ได้มันคิดไม่ได้มันนึกไม่ได้มันติดต่อไม่ได้ใจที่เป็นวิมุตต์เนี่ยมันมีแต่ความสงบมีแต่ความว่างเปล่า มันมีแต่ความสุขความสงบความว่างเปล่าความสุขไม่ได้เป็นสุขที่ไปเสพอารมณ์แต่เป็นความสุขที่สิ้นทุกข์สิ้นความยึดมั่นถือมั่นอะไรมันเลยเป็นความสุขเป็นความว่างสมดังที่พระองค์ตรัสว่านิพพานนางปลมังศูนย์อย่างนิพพานนางปลมังสุขขังนิพพานเป็นความว่างและเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อสิ้นผู้ยึดเนี่ยใจมันก็เลยว่าง พอใจมันว่างแล้วมันก็เป็นความสุขเพราะอะไรมันมันไม่มีใครยึดอะไรไม่ทุกข์อะไรมันก็เลยเป็นความสุขแล้วมันเป็นความเป็นความว่างและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนเป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่ตายได้มันตายแต่ขันหา้าตายแต่ตัวสมมุติแต่ใจซึ่งเป็นวิมุตติเนี่ยมันแตกดับทําลายมันตายไม่ได้ต้องวางปล่อยวางตัวสมมุติ ปล่อยวางให้ตัวปุงแต่งเม cycles, dom, in, than, ื่อจะปรุงแต่งกับปรุงแต่งไปอย่าไปยึดมันในตัวปุงแต่งเนี่ยมันจะปุงแต่งในกายเนี่ยร่างกายจะเป็นตัวปุงแต่งมาจากสเปิร์มของพ่อมาผสมกับไข่ของแม่สเปิร์มก็เป็นธาตุดินไข่ของแม่ก็เป็นธาตุน้ํามันมาผสมการธาตุดินธาตุน้ําเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะนันร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่แรกหรือตัวเราแต่แรกมันมาจากสเปิร์ม ที่เป็นธาตุดินกับไข่ที่เป็นธาตุน้ําของแม่ผสมกันแต่แรกแล้วแม่ก็หายใจเอาธาตุลมเข้าไปทาตไฟเข้าไปกินเอาซากพืชซากสัตว์เข้าไปไหนอะตัวเราที่โตมาท้างล่างเนี่ยมีตัวเราตรงไหนอะมีแต่ซากพืชซากสัตว์ทั้งนั้นอะที่กินทุกวันตอนเช้าก็กินอยู่เนี่ยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟซึ่งเริ่มต้นมาจากสเปิร์มของพ่อที่เป็นธาตุดินและธาตุไข่ของแม่ที่เป็นธาตุน้ําหลังจากนั้นก็ผสมกันตลอดเวลาเอาธาตุกินธาตกินธาตุธาตุกินธาตุคือ ต้กินธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟก็ไปตลอดเวลาเลยไม่กินเมื่อไหร่ก็ตายเรียกว่าธาตุกินธาตุแล้วที่ตุดธาตุนี่ก็แตกทําลายไปแล้วลองดูที่มันใช่ตัวตนเราตรงไหนที่มีของเียงแท้แน่นอนมันเป็นเพียงธาตุกินธาตุธาตุกินธาตุทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกทําลายไปนู่นไอตัวที่มันผสมนั่นเนี่ยคือใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณนัตธาแต่เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณนั่น ปฏิส่นที่วิญญาณหรือเขาเรียกว่าวิญญาณนาธาส์วิญญาณนาธาส์ทำไมเขาไม่เรียกว่าจิตเดิมแท้หรือก็ไม่เรียกใจที่บริสุทธิ์ก็เพราะว่าตอนที่มันเป็นวิญญาณนาธา่์มันยังไม่บริสุทธิ์ตอนมันเข้ามาผสมกับท่านดินซึ่งเป็นสเปิร์มของพ่อแล้วาะน้ำดินไข่ของแม่แล้วก็ธาตุลมธาตุไฟที่มันเป็นก้อนเลือดอยู่แล้วเนี่ยปฏิส่วนที่วิญญาณเนี่ยความจริงอะ่ะมันก็คือธาตุรู้ หรือจิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์แต่เขาไม่เรียกว่ามันเป็นจิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าปฏิสนทธิวิญญาณเพราะอะไรมันคือจิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์บวกกับอวิชชาเขาเลยเรียกว่าปฏิสนทธิวิญญาณถ้าอวิชชาดับแล้วมันเหลือแต่จิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์ที่สิ้นยึดแล้ว เป็นธาตุที่บริสุทธิ์อันนี้ยมันไปผสมกับอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะมวลมันบริสุทธิ์เสร็จแล้วฉะนั้นดูสิจริงๆมาจากไหนดินน้ําร่างกายดินน้าลมไฟก็มาจากสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่นู่นไอตัวมาน่นสติุนทิพวิญญาณน่นไอตัวมานู่นที่บวกกับวิชาไอตัวนั้นหรอกเรามาเนี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อเอาสติปัญญาเนี่ยมาถลุงเอาสติปัญญาเนี่ยมาะลุงเอาไอตัวอวิชชาออก ให้หมือเหลือจิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์เครื่องมือที่จะใช้นี่แน่จะใช้ถะลุงเนี่ยก็คือสติสมาธิปัญญานี่แน่ที่จะมาถั่ลุงเอาเอาวิชาคือความโง่ที่หลงยึดเนี่ยออกไปซะมันจะได้เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หรือเป็นใจที่บริสุสทธิ์สักทีหรือเรียกว่าวิมุตติมันก็เปรียบเหมือนกับ ว, ว่าในโลกเนี้ยมีทองคําอยู่แต่มันเป็นทองคําที่ไม่บริสุทธิ์ คือทองคำที่อยู่ใต้พื้นโลกเนี่ยมันเป็นทองคำอยู่ก็จริงแต่มันเป็นทองคำผสมด้วยแร่อื่นๆเยอะเขาก็ต้องมีกรรมวิธีถลุงเอาแร่อื่นๆ อ, ออกจากทองคามันจึงจะเหลือแต่ทองคำบริสุทธิ์เขาจึงเรียกว่าทองคำบริสุทธิ์ของมันมีอยู่แล้วเนี่ยคือความบริสุทธิ์มันอยู่รวมกับปนอยู่กับแร่อื่นๆอันนั้นเนี่ยเขาจึงไม่เรียกว่าทองคำบริสุทธิ์ จนกว่าจะเขาจะถลุงเอาแร่ที่ผสมกับทองคำออกหมดแล้วจึงเหลือทองคําที่บริสุทธิ์ดังนั้นทองคําที่บริรสุทธิท์มันมีอยู่แล้วแต่มันมีอย่างอื่นมาผสมไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยหรือใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาที่หลังมันมีอยู่แล้วในพุทธเจ้าในพระรหันในปุตตชนในสัตว์เดรัจฉานในสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดมันมีอยู่แล้วจิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันผสมกับอวิชาอยู่ ต้องอามาถลุงก่อนเครื่องมือที่ใหถลุงก็คืออะไรสติสมาธิปัญญามาถลุงเอาเอ า, เอาวิชาคือสิ่งที่ปลอมปนกับจิตเดิมแทหรือใจที่บริสุทธิ์ออกไปคือความโง่ความโง่ตรงไหนอ่ะก็โง่เนี่ยนี่จะเอาเนี่ยขันห้าที่เป็นตัวปรุงแต่งเอาตัวปรุงแต่งไปช่วยจิตเดิมแทหรือใจที่บริสุทธิ์ที่มันมีอยู่แล้วเป็นความบริสุทธิ์ที่มันมีอยู่แล้วจะไปช่วยมัน สติสมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นถังลวงช่วยใจที่บริสุทธิ์ช่วยหายโง่ความโง่ที่มันไปหลงยึดออยตัวปรุงแต่งเป็นตัวเรานี่เนี่ยธรรมชาติมันก็มีแค่เนี้เนี่ยพุทธเจ้าธรรมชาติมาสอนมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของที่พุทธเจ้าเกิดแล้วสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเกิดมานะไม่ใช่นะมันเป็นธรรมชาติแบบเนี้มันมีอยู่แล้วพุทธเจ้าอ๋อมาค้นคพบว่ามันไอสิ่งที่ผสมอยู่กับไอความกับไอจิตเดิมแต่ ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือเอาวิช า, าคือความโ ง, เมงเ่เองความหลงเองพอสิ้นความหลงแค่นั้นเนี่ยจิตเดิมแท้ที่เป็นของบริสุทธิ์มันก็โผล่มาเองเลยเนี่ยเหมือนแบบทองคําที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วพอเอาสิ่งที่ผสมปอมปนออกมันทองคํำก็กลายเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเอง